บริษัทสี่คือหนึ่งพิสุสองพิสุนีสามอุบาสกสี่อุบาสิกาประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับศัพท์ว่าบริษัทเสียก่อนศัพท์ว่าบริษัทแปลว่ า, าประชุมหรือหมู ในที่นี้หมายเอาอาประชมุมหรือหมูพุทธสาวกซึ่งจำแนกออกเป็นสี่คือหนึ่งพิสุอาพิสุหมายเอาเพศ ช, ชายหรือผู้ประสมบทในประพุทธศาสนาได้รับเอาเหตุเอเหพิพิขุ บ, บ้างอติสรนคขมนูประสัมปทาบ้างยติจจตุธกรรมวาจาบ้างนะอย่างนี้เละเรียกว่าอาพิสุนะ เรียกว่าพิสูุหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอาพิสูจนได้แก่บุรุษเพศที่ผสมบทในพระพุทธศาสนาปฏิบัติกิจในสมณธรรมเป็นปุเรจาริกหมายเอาผู้ผสมบทด้วยวิธีทั้งสามอย่างคือเอหิพิคุหมายถึงว่าบวชเฉพาะพระพุทธเจ้าสองติสนะคมนูปะสัมพธาอันนี้หมายถึงสาวกบวชให้ แล้วก็ยติเจตุกรรมนี่ก็สาวกต่อต่อมาในปัจจุบันนี้เป็นการบวชให้และประการที่สองพิษุนีได้แก่สตรีเพศผู้ถือผสมบทอยู่ในประพุทธศาสนาปกติตามปกติและกิริยาการคือวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพิสุไม่เอาพิษุนีผู้ผสมบทด้วยวิธีทั้งสองอย่างคือผู้ผสมบทโดยรับ ครุธรรมหนึ่งและโดยอุปัโตสงคือสงสองฝ่ายหนึ่งและสามอุบาสกได้แก่บุรุษเพศคฤหัสซึ่งใฟ้ชิดพระรัตนตรยัยคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะและปฏิบัติในศีลในกัลยาณธรรมตามเพศของคฤหัสผู้จะเป็นอุบาสกต้องแสดงตนต่ อ, นตอหน้าพระรัตนตรยัย และสี่อุบาสกได้แก่ขอประธานโทษอุบาสิกาได้แก่สตรีเพศคฤหัตผู้มีปกติเช่นเดียวกับอุบาสกต่างแต่เพศชายเรียกว่าอุบาสกเพศหญิงเรียกว่าอุบาสิกาเท่านั้นฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าบริษัทสีก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยาก ก็จะพูดบริษัทสี่อีกความหมายหนึ่งบริษัทสี่ความหมายหนึ่งก็ได้แก่หนึ่งกษัตริย์สองพราหมณ์สามเครือขบดีสี่สมณนะคําว่าบริษัทในที่นี้อท่านหมายถึงหมู่หรือคณะของบุคคลทั่วไปไม่ได้หมายถึงหมู่หรือพวกพุทธบริษัทเหมือนข้างต้นจําแนกเป็นสี่เหมือนกันคือหนึ่งกษัตริย์ ได้แก่พวกเจ้าซึ่งมีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองหมายเอาพระราชามหากัตัทธ์พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยสองพราหมณ์ได้แก่พวกที่ศึกษาเล่าเรียนไตรเพศคือคำพีพระเวททางาศาสนาพราหมณ์ทั้งสามมีหน้าที่สั่งสอนสาศาสนาตามลทัทธิ และทำพิธีเพื่อสวัสดิบงคลต่างๆตามความนิยมของมหาชนสามคฤหาบดีได้แก่พวกที่อยู่ครองเรือนโดยความเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเรือนเป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติหาเลี้ยงชีพโดยส่วนตัวตามความถนัดสสมณนะได้แก่ผู้สละบ้านเรือนออกถือเพศสมณะสแสวงหาความสงบ ไม่หมกมุ่นพัวพันธุ์อยู่ในเคหสถานมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนทางศาสน า, าทางหาทางสงบระ ง, งับคําว่าสมณะคือท่านผู้สงบโดยในนี้เป็นอันได้เนื้อความว่าหาใช่พิสุโดยทั่วไปไม่พิสุผู้มีกายวาจาใจอันสงบระ ง, งับเรียบร้อยได้นามว่าสมณะแต่ถ้าหากว่ากายวาจาใจสงบระ ง, งับไม่แล้ว จะไม่เรียกว่าสมณะโดยแท้นี่อันนี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของบริษัทนะ เ, เกี่ยวกับเรื่องงคณะของบุคคลทั่วไปก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็จะพอเข้าใจแล้วก็จับใจความได้ก็ขอสรุปสั้นๆอีกสักนิดว่าคำว่ า, ากษัตริย์ก็ได้แก่พวกเจ้าที่มีหน้าที่ในการปกครองบ้านเมือง อันนี้ถือว่าเป็นผู้นําของบ้านเมืองนะเป็นผู้นําของบ้านเมืองและกษัตริย์นี้ก็เป็นเจ้าของประเทศนะเป็นเจ้าของประเทศฉะนั้นเมื่อเรานับถือกษัตริย์แล้วเราก็จะต้องให้ความเคารพให้ความคารวะแล้วก็ต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติแล้วก็ต้องเสียภาษีให้กับออของรัฐอย่างนี้เราจะได้ชื่อว่ า, เ, าเราแสดงความเคารพ แล้วก็ส่วนจะพวกครามได้แก่พวกที่ศึกษาเล่าเรียนไตรเพศไตรเพศคือคำพีพระเวททั้งสามซึ่งมีหน้าที่อบรมสั่งสอนตามลทัทธิแล้วก็ทำพิธีเพื่อสวัสดีมงคล น, นั้นเราก็จะต้องให้ความเคารพกราบไหว้นับถือถือว่าเป็นสิริมงคลกับทุกๆคนส่วนข้าหาวดีได้แก่ผู้ที่อยู่ครองเรือนอโดยความเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเรือนคือเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพสมบัติมากหาเลี้ยงชีพ โดยส่วนตัวตามความถนัดว่าตนมีความถนัดในอาชีพอันใดในทางค้าขายหรือในทางกติกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้หละเรียกว่าพวกเครารพบทดีคือข่าวบดีนี้ถ้าพูดตามรูปศัพท์ก็คือว่าเจ้าแห่งเรือนอก็คือผู้ครองเรือนนั่นแหละนผู้ครองเรือนอส่วนมาในประเภทที่สี่ก็คือสมณนะได้แก่ผู้สลับบ้านเรือนออกถือเพศสมณนะ สแสวงหาความสงบไม่หมกพุ่นพัวพันพอยู่ในเคหสถานมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนทางศาสนาทางศาสน า, าก็เพื่อต้องการที่จะสงบระ ง, งับาจากกิเลสตัณหาอย่างนี้แหละเรียกว่าสมณะแต่หากว่าผู้ที่ออกบวชแล้วไม่มีความสงบด้วยกายวาจาและใจก็หาชื่อว่าสมณะที่แท้จริงไม่ ฉะนั้นอันนี้แหละพระพุทธองค์ก็ได้ตัดไว้ในโอวาทปาติโมกว่าถ้าหากว่ายังเป็นสมณะไม่สงบหรือยังเป็นผู้เบียดเบียนเขาก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมณะฉะนั้นคำว่าสมณะนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายวาจาใจอันสงบระงับแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้ก็จะมีปัญหาถามว่าผู้ได้นามว่า สมณะนั้นคือใครจงอ้างเหตุผลประกอบคําอธิบายด้วยอันนี้เราก็จะแก้ได้เลยว่าท่านผู้ใดมีกายวาจาใจอันสงบระงับท่านผู้นั้นชื่อว่าสมณะอโดยในนี้ก็ได้ความว่าสมณะนั้นหาใช่พิสุอทั่วไปไม่อแต่ท่านมุ่งเอาเฉพาะแต่พิสุผู้มีกายวาจาใจอันสงบระงับดังกล่าวแล้วเท่านั้นถ้าพิสุรูปใดนะมีกาย มีวาจาและใจไม่สงบระงับพิสูจน์นั้นก็ไม่ใช่สมณะที่แท้จริงนะข้อนี้ก็มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าณมุนดเกณะสมโนอนวัตโตอลิกังพนังอิจฉาโลภสมาปันโนสมโนกิงภวิสติซึ่งแปลความว่าบุคคลผู้มีศีสษะโลนแต่ไม่มีวัดกล่าวถ้อยคำหล่ะแหละ มากไปด้วยความอิจฉาและความโลภหาชื่อว่าสมณะไม่บุคคลเช่นนั้นจักเป็นสมณะอย่างไรหรือถ้าจะมีคำถามว่าเราจะสังเกตอย่างไรจึงจะรู้ได้ว่ามูนี้เป็นบริษัทภายในมีพิสุเป็นต้นอุบาสกอุบาสิกาจัดเป็นสมณะได้หรือไม่ชไห น, นจึงเป็นเช่นนั้นอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าต้องอาศัย จริยานุวัตอหรือคุณธรรมหรือเพศวิสัยที่ท่านให้เป็นไปอยู่ในขณะนั้นนั้นจึงจะรู้ได้ถ้าอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีกายวาจาใจสงบเรียบร้อยจากอกุศลธรรมมีขันธสันดานหมดจดผ่องแผ้วจากในวรธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นสมณะได้เพราะสมณะก็หมายเอาชนผู้มีกายวาจาใจอันสงบจากบาปอกุศลแล้วม่ได้เพ่งแต่บรรปชิต จำพวกเดียวกินความตลอดทั่วไปหมดถ้าผู้ใดเป็นดังกล่าวมาแล้วก็จักได้ชื่อว่าเป็นสมณะทางนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของบริษัทสี่อีกประเภทหนึ่งทีนี้เมื่อพูดถึงบริษัทสี่ประเภทหนึ่งก็อยากจะมาพูดถึงบุคคลสี่นะถึงบุคคลสี่เพื่อให้สืบต่อเนื่องกันบุคคลสี่ก็คือหนึ่งอุคติตันโูผู้อาจรู้ธรรม พอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงสองวิปติตัมยูผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่านอธิบายความแห่งหัวข้อนั้นสามเนยยะผู้พอแนะนำได้สี่ปะทะประมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งประการแรกขอให้ท่านทำความเข้าใจกับคำว่าบุคคลเสียก่อน คำว่าบุคคลในที่นี้ท่านจำแนกออกเป็นชั้นๆยิ่งย่อนกว่ากันโดยอุปนิสัยและปฏิพานก็มีสี่คือหนึ่งอุคติตันโูผู้อาจรู้ธรรมพอท่านยกหัวข้อขึอข้นแสดงบุคคลจำพวกนี้มีปฏิพา์เฉียบแหลมพอรู้แสดงหัวข้อขึ้นก็สามารถตีความหมายได้โดยฉับพลันก็หมายความว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่ฉลาดอพอเขาพูดหัวข้อขึ้นมาแค่นั้นก็สามารถจะตีความหมายได้พอจะรู้ความหมายได้นรู้ความหมายได้ก็คือเป็นประเภทที่หนึ่งว่างั้นเถอะนะเป็นประเภทที่ฉลาดถ้าเราพูดกันในปัจจุบันก็คือเรียกว่าเป็นคนเอาหัวดีนะสมองไวหัวไรอ่อาจจะพูดกันอย่างนั้นนี่แต่ประเภทที่สองก็คืออวิปปิตันอยู พู้นี้ก็อาจรู้ทาต่อเมื่อท่านอธิบายความแห่งหัวข้อนั้นบุคคลจาพวกนี้มีปฏิพานธ์ลดน้อยถอยลงมากว่าบุคคลประเภทที่หนึ่งต่อเมื่อผู้แสดงยกหัวข้ออธิบายบ่อยๆเข้าจิงเข้าใจคือพูดง่ายๆก็คือว่าต้องอธิบายกันนานๆนะต้องอธิบายกันนานๆหรืออาจจะพูดกันหลายครั้งพูดกันหลายหนพูดกันหลายเที่ยวนะจึงจะรู้จึงจะเข้าใจ เนี่นี่ถือว่าเป็นเป็นบุคคลประเภทที่สองอันนี้เราก็จะเห็นมีในปัจจุบันนะเรียกว่าในในสองคนแรกที่เราก็จะเห็นมีบางคนเนี่ย<ฮ>หรือนักเรียนนักศึกษาที่เราได้เคยอบรมสั่งสอนมาบางคนครูพูดอะไรเนี่ยรู้ง่ายเนีเข้าใจง่ายทําได้ทันทีแต่บางคนเนี่ยต้องอธิบายฟังครูอธิบายหลายหายครั้งเนี่ยจึงจะเข้าใจเนียหลายหายครั้งจึงจะเข้าใจ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่ค่อยเข้าใจนะประเภทนี้ก็เรียกว่าประเภทที่สามเรียกว่านายะนายะคือผู้พอแนะนําได้นะข้อนี้ได้แก่ผู้พอที่จะฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ความฉลาดต่อไปได้อย่างกัลยาณชนผู้มีสติปัญญาทั่วไปนะอย่างเราๆและท่านทั้งหลายอที่ าฟังอยู่ในขณะ น, นี้ถือว่าเป็นพวกเนยะนะพอแนะนำได้นะเรียกว่าต้องฝึกฝนอบรมกันให้มากมากนะทั้งดึงทั้งดนทั้งดันดดดกันนั่นแหละว่างั้นเถอะนะพวกนี้ถือว่าอา่าเป็นพวกเนยะนะเป็นพวกนยะคือบางครั้งเนยยกอุทาหอนก็แล้วนะยกเรื่องราวมาสแสดงก็แล้วก็ยังจาไม่ได้นะ ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติมากๆทาบ่อยๆ <นะ S 1> ใช้เวลา <นะ S 1> พวกนี้ใช้เวลาพอมีโอกาสพอมีโอกาสที่จะได้เรียนจบกับเขาพอมีโอกาสที่จะได้รู้ทำกับเขาได้ <นะ S 1> พวกนี้ต้องใช้ความขยันมาก <นะ S 1> ส่วนประเภทที่สี่ก็คือปะทะประมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งคือที่เรารู้กันก็คือว่าพวกนี้ก็คือไปไม่ไหว <นะ S 1> พวกนี้ไปไม่ไหว บุคคลจำพวกนี้เป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญามากแม้จะได้สดัตรับฟังสิ่งใดก็หาเข้าใจไม่เป็นผู้ศักแต่ว่าฟังหรือศักแต่ว่าเรียนไปเท่านั้นไม่สำเร็จประโยชน์เพราะการฟังหรือการเรียนนั้นเลยเนะี่ยอันนี้เราจะเห็นว่าโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดเนี่ยมักจะต้องมีคนสี่ประเภทนี้อยู่นะแต่ประเภทสุดท้ายนี่ถือว่าไม่เอาไหนนะไม่เอาไหน เมื่อไม่เอาไหนอย่างเดียวแค่นั้นยังไม่พอบางครั้งยังไปก่อควนให้บุคคลอื่นวุ่นวายไปด้วยนะอย่างนี้ก็มีนะตัวเองไปเรียนก็สักแต่ว่าเป็นนักเรียนฟังก็สักแต่ว่าฟังแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยปล่อยให้ผ่านๆไปวันๆหนึ่งแค่นั้นเองนะน่าเสียดายนี่แหละเ ข, เขาจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ทําบทให้เต็มพูดง่ายๆเป็นผู้ที่ทําบทให้เต็มไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเออมาทําให้ให้เต็มตามจํานวนเขาแค่นั้นเองนะ ฉะนั้นเขาจึงเปรียบบุคคลสี่จำพวกนี้ ด, นด้วยบัวสีเหลานะด้วยบัวสีเหลาคือจำพวกที่หนึ่งนั้นท่านเปรียบด้วยดอกบัวอันสูงขึ้นพ้นน้ำแล้วคอยรับแสงพระอาทิตย์ก็จกบานในวันนี้นะคือหมายถึงว่าอุคติตันยูนะผู้ที่อาจรู้ทรรมพอยกักข้อคาขึ้นแสดงก็ก็สามารถเข้าใจตีความได้เหมือนกับดอกบัวที่ อผลน้ำแล้วคอยรับแสงพระอาทิตย์ก็จักบานในวันนี้นี่ส่วนประเภทที่สองคือวิปจิตันยูผู้อาจรู้รมต่อเมื่ออธิบายหัวข้อนั้นนะอธิบายผูดถึงหัวข้อก็จะพอเข้าใจได้นะก็เปรียบเหมือนดอกบัวที่ขึ้นมาเสมอน้ำจักบานในสองสามวันข้างหน้านส่วนประเภทที่สาม นะประเภทที่สามก็คือพวกนนยะที่พอแนะนำได้ได้แก่พอจะอบรมฝึกฝนให้เกิดความรู้ความฉลาดต่อไปได้แต่ต้องใช้เวลาก็เปียกเหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำจักบานในวันต่อต่อไปนะแต่ว่าอาจจะใช้เป็นอาทิตย์อาจจะใช้เป็นเดือนนะาองนั้นทีนี้ส่วนประเภทที่สี่พวกปะทะประมอะนะพวกนี้ก็ เป็นผู้ที่โง่เง่านโง่เง่าไม่เอาฐานไม่เอาไหนนพวกนี้ก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ยังจมอยู่ในดินในน้ําก็ไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเห็นแสงพระอาทิตย์ได้ได้รับแสงพระอาทิตย์ได้มีแต่จะเป็นพักษาแห่งตาและเต่าเท่านั้นเองนนี่เรียกว่าบุคที่เขาเปรียบบุคคลขึ้นอกับดอกบัวสีเหลา่า ทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกับบุคคลสี่กับในเหตุการณ์ปัจจุบันของคนเราคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันนะถ้าหากว่าเหมือนกันทุกคนแน่นอนที่สุดโลกนี้ก็จะงามเหลือเกินนะแต่ที่โลกนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนเรามันมีหลายประเภทฉะนั้นแต่และประเทศก็จึงต้องมีคุกมีตารางนะมีตำรวจคอยปราบปรามกันคอยจับกันนี่ก็เพราะบุคคลทั้งสี่ประเภทอย่างนี้แหละ ส่วนในประเภทแรกก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมากเพราะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นพวกนักปราชญ์ส่วนประเภทที่สองก็ถือว่าเจริญรอยตามนักปราชญ์ประเภทที่สามนั้นก็ถือว่าเป็นชนสามวันทั่วทั่วไปเรียกว่าอยู่ระดับกลางความรู้ก็ไม่สูงหรือก็ไม่ต่ำจนเกินไปะส่วนประเภทที่สีน่นี่ไม่มีความรู้เลยนะไม่เอาไม่เอาอะไรทางนั้นน ฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีปัญหาถามว่าบุคคลเช่นไรที่ท่านจัดเป็นอุคติตันยูราษาวกมีรูปไหนปรากฏว่าเป็นอุคติตันยูบ้างหรือไม่อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าบุคคลผู้มีปฏิพานไหวพิบเป็นอย่างดีอาจรู้ทำได้ในเมื่อท่านยกหัวข้อขึอข้นแสดงเรียกว่าอุคติตันยูบุคคลระษาวก ที่ปรากฏนามคือภาษารีบุตรที่ได้ฟังธรรมของพระอัจฉริว่าความเกิดและความดับไปแห่งธรรมทั้งหลายก็เพราะเหตุท่านเข้าใจได้ดีกว่าบรรดาสภาพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะเหตุนะเกิดขึ้นเพราะเหตุและจะดับไปก็เพราะดับไปแห่งเหตุหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าการที่ท่านจัดบุคคลไว้ทั้งสี่จัพวกนั้น ด้วยอำนาจอะไรเป็นเหตุต่างกันห้ามไม่ให้อพูดถึงเรื่องกรรมอันนี้เราก็แก้ว่าด้วยอำนาจของชวนะปัญญาการสดับตรับฟังมามากและการเล่าเรียนศึกษามามากจากสำนักครูก็ดีก็จะเป็นเหตุให้ต่างกันหรือจะมีปัญหาถามว่าบุคคลทั้งสี่จาพวกนั้นจําพวกไหนจัดเป็นอาพุทธเวใน และจำพวกไหนจัดไม่ได้หรือว่าไม่จัดเพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้ว่าจำพวกข้างต้นคืออุคติอันอยูจัดเป็นพุทธเวไนเพราะเป็นผู้เฉลียวฉลาดอาจรู้ทำตามได้ส่วนจำพวกหลังคือปทัปประมะไม่จัดเป็นพุทธเวไนเป็นพวกโง่เขลามากไม่สามารถจะรู้ทำได้เนยไม่สามารถจะรู้ทำได้ นี่ก็เป็นเรื่องของบุคคลทั้งสี่นะเป็นเรื่องของบุคคลทั้งสี่ทีนี้ถ้าหากว่าจะมาพูดถึงปฏิปทาสี่นะปฏิปทาสี่ก็คือหนึ่งทุกขาปฏิปฏาทาธันดาพิญญาแปลว่าปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าสองทุกขาปฏิปทาขิตาพิญญา แปลว่าปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วข้อที่สามสุขาปฏิปฏาทาธันดาพิน ญ, ญาปฏิบัติสะดวกสบายแต่รู้ได้ช้าข้อที่สี่สุขาปฏิปทาคิ ป, ปาพิน ญ, ญาปฏิบัติสะดวกสบายทั้งรู้ได้เร็วประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาได้ทําความเข้าใจกับคําว่าปฏิปทา คำว่าปฏิปทาก็หมายเอาความปฏิบัติของพิสุผู้ได้บรรลุธรรมพิเศษคือมรรคผลนิพพานก็มีสี่ก็คือหนึ่งทุกข์ขาปฏิปฏาทาธันดาพิญญาในแก่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรทาสมณะธรรมได้รับความทุกข์ยากลำบากในการบำเพ็ญนั้นทั้งกว่าจะได้บรรลุธรรมนั้นก็ช้า เช่นปฏิปทาของพระจักกุบา น, นท่านถือเนสัจิกาทุดงสำเร็จอีบทสามคือยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดใจมาดจนกระทั่งตาบอดตาบอดได้รับความลำบากมากได้บรรลุธรรมพิเศษล่าช้ากว่าพวกเพื่อนผู้เป็นสหายและทมที่ได้บรรลุนั้นเขาก็เรียกว่าเขาก็เรียกว่า สุขาวิปัสสะหรือว่าสุขาวิปัสกโกก็คือว่าเห็นอย่างแห้งแรง้งนะเห็นอย่างแห้งแรง้งอันนี้ท่านหมายถึงว่าอผู้ที่ได้ได้สุขาวิปัสสะนั้นก็คือผู้เจริญวิปัสนาล้วนไม่ได้เจริญสมถะนะไม่ได้เจริญสมถะเจริญวิปัสนาคือยกอสังขารขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะอย่างนี้ประเภทที่สอง ทุกขาปฏิปทาคิดตาพิญญาได้แก่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรทำสมณธรรมได้รับความทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัตินั้นแต่ได้บรรลุธรรมพิเศษเร็วเช่นปฏิปทาของพิสุผู้อาพาธหนักได้รับทุกขเวทนาอันสาหัสท่านถือเอาทุกขเวทนาอันนั้นเป็นอารมณ์พอได้บรรลุธรรมพิเศษก็ดับจิต ที่เรียกว่ า, าชีวิตะสมัสสีสีชีวิตสมสีสีนี่คือหมายถึงว่าอันนี้ได้บรรลุเร็วก็มีพระเถระองค์หนึ่งได้ไปทำความเพียรอยู่ในป่าก็ปรากฏว่าได้ถูกเสือโคร่งขา้าบกัดข้าบไปพอดีท่านก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ที่กำลัง อ, อยู่ในปากเสือโคร่ง คือท่านได้เจริญนิสนาน เ, เรียกว่าในขณะที่เกิดเวทนาอย่างแรงกล้าที่เสือโครงในกัดอันนั้นจนได้บรรลุธรรมพิเศษก็ดับจิตเรียกว่าชีวิ ต, ตสมมศีสีข้อที่สามสุขขาปฏิปทาทันทาพินญาได้แก่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรทาสมณะธรรม ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างในการบำเพ็ญแต่กว่าจะได้บรรลุธรรมพิเศษก็เป็นการลำบากอย่างยิ่งเช่นปฏิปทาของพิสุผู้เจริญกรรมฐานไม่ตรงกับจริตของตนถึงแม้จะไม่ลำบากในเวลาที่เจริญอยู่นั้นแต่ก็หาได้บรรลุธรรมพิเศษไม่ต้องเสียเวลาทำอยู่นานจนกว่า อเมื่อได้เจริญกรรมฐานตรงกับจริตของตนเมื่อนั้นจึงจะได้บรรลุธรรมพิเศษอันนี้โดยมากเป็นอย่างนั้นคือจริตของคนเราไม่เหมือนกันนจริตของคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็มีรักขจริตบางคนก็โทสะจริตบางคนก็โมหะจริตบางคนก็ศรัทธจริตบางคนก็ปาวิตตกจริตนบางคนก็พุทธจริตนไม่เหมือนกันน ฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เจริญกรรมฐานที่ตรงกับจริตของตนก็จะทำให้เรานั้นได้บรรลุธรรมพิเศษได้ไวแต่เราเจริญกรรมฐานแม้ว่าได้ที่สะดวกสบายแต่ว่าได้จริตไม่ตรงก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษได้รวดเร็วได้ <c oughs> ก็เหมือนกับสุขาปฏิปทาทันทาพิญญามาในข้อที่สี่ก็คือสุขาปฏิปทาคิปาพิญญา ข้อนี้ได้แก่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรทมสมณธรรมได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างทั้งได้บรรลุธรรมพิเศษและก็เร็วด้วยเช่นปฏิปทาของพิสุผู้เจริญกรรมฐานถูกกับจริตของตนได้รับความสะดวกไม่ต้องลำบากทั้งได้บรรลุธรรมพิเศษโดยเร็วเช่นพระพาหิยะได้ฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา ในระหว่างทางก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นนี่หรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าปฏิปทาได้แก่อะไรอย่างไหนลำบากกว่าเพื่อนอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าได้แก่ความปฏิบัติของพิสุผู้ได้บรรลุธรรมพิเศษอาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาลำบากกว่าเพื่อน หรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าท่านที่ได้นามว่าชีวิตะสมสัสสีนั้นมีปฏิปทาเช่นไรก็ตอบว่าปฏิปทาของท่านที่ได้นามว่าชีวิตะสมสัสสีนั้นพึงเห็นเช่นปฏิปทาของบิณฑุผู้อาพาธได้เฉวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งยึดถือเอาทุกขเวทนานั้นมาเป็นอารมณ์พิจารณาทุกขเวทนานั้นพอได้บรรลุธรรมพิเศษแล้วก็ดับจิตก็ดับจิต หรือมีคำถามว่าผู้ปฏิบัติทำได้บรรลุช้าเร็วยากง่ายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบ้างอันนี้ก็แก้ว่าต่างกันอคือบางพวกปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าบางพวกปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วบางพวกปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าบางพวกปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่ก็เป็นเรื่องของ ปฏิปทาสีนะเป็นเรื่องของปฏิปทาสีก็คิดว่าการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องบริษัทสี่คือพิกสุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาและก็บริษัทสี่อีกอย่างหนึ่งก็คือกษัต ร, ริย์พราหมณ์ข้าหาบดีครรษาบดีสมณะและก็บุคคลสี่ก็คืออุคติจันยูวิปจิจันยูเนยะปะทะปประม ะ, ะและ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 สธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาณแตกฉานในธรรม3นิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาณแตกฉานในนิรุตสี่ปฏิภาณปฏิสัมพิทาปัญญาณแตกฉานในปฏิภาณประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้มาทำความเข้าใจกับคำว่าปฏิสัมพิธาได้แก่ปัญญาณแตกฉานรอบรู้ในเหตุผลและแตกฉานในภาษาในคำพูดไหวพริบในที่นี้ท่านจำแนกออกเป็นสี่คขนหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิธาปัญญาณแตกฉานในอัดหมายเอาการอธิบายเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ที่ย่อๆให้พิสดาร อีกในหนึ่งหมายเอาผลแห่งกรรมความรู้จักคาดถึงผลอันจักมีเพราะเหตุที่ทำอยู่ในปัจจุบันด้วยอำนาจแห่งอนาคตังสยานคือพูดง่ายๆว่าอัถะปฏิสัมพิทาเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานรู้ลึกซึ้งอย่างวิจิตพิสดารเนี่ย รู้ลึกพึ้งอย่างวิจิตพิสดารเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวเฉียบแหลมว่องไวรู้ในอัดก็คือในความหมายแม้ว่าใครจะพูดเป็นพาศิทย่อยอก็สามารถเข้าใจง่ายเหมือนยังกับภาษาเรียบ ได้ฟังธรรมจากพระอาจาชิว่าเยธรรมมาเหตุต ah et um ja, ah ุปภวาเตสังเหตุุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหสัมโนพูดให้สัส้นๆที่สุดก็คือว่าทรรมใดเกิดแต่เหตุทมนั้นก็ย่ดับลงด้วยเหตุแค่นี้แหละได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เห็นไหมได้ดวงตาเห็นธรรมพวกเราฟังกันแทบตายนะ ฟังกันจนตายว่างั้นเถอะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมได้แต่ฟังแล้วก็ทําให้อยากทํำนะฟังแล้วก็มันไม่เห็นธรรมคือมันเห็นแล้วก็ทออำทำมันไม่ใช่เห็นธรรมนะเห็นแล้วก็อยากจะทําในในสิ่งที่ตนเห็นไปอย่างงั้นไ อ, อย่างงี้มันทําในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราไม่มีอัตถะปฏิสัมพิธาฉะนั้น อัตตาวิสัมพิทาเน่ะเพียงแต่หัวข้อพูดหัวข้อก็รู้แล้วเหมือนคล้ายๆกับเราแต่งกระทู้อย่างนั้นนะแต่งกระทู้พอบอกว่าอัตตาหิอตโนานาโถนวะว่าต้นแลไปที่พึ่งแห่งตนแค่นี้แหละเราก็เข้าใจบรรยายไปทะยืดเลยสามใบเจ็ดใบนี่บรรยายไปได้นะบรรยายไปไ ด, เรรยยไปได้เมื่อพูดถึงอันนี้ก็มานึกถึง สมัยผู้พูดนี้ได้เรียนนักธรรมเอกจําได้ว่าปีนั้นเขาออกคาถาว่าโยจัปุเพปปะมัชชิตวาปัชชาโสนปะมัชติโสมังโล ก, กังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมาว่าผูดด้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นก็เหมือนพระจันทร์ที่พลนแล้วจะหมอกเม่ฉะนั้นผมก็ได้แต่งเป็นคํากลอนเลย ในฐานะเป็นนักกลอนนะนักกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจนั่งไปคิดไปก็เป็นกำไรชีวิตผมก็ว่าเป็นกลอนขึ้นต้นก็เป็นกลอนไปเลยพอเขียนหัวข้อเรื่องกระทูเรี่งความแก้กระทุ้ทำก็ขึ้นเป็นคำกลอนแต่งไปได้ถึงเก้าหน้านะเก้าหน้าเป็นคำกลอนทั้งนั้นยังจำได้ว่าขึ้นต้นว่าอันต้นร้ายปลายดีไม่มีโทษ เป็นประโยชน์ยาวยืนตั้งหมื่นแสนจะตกฐานทินใดไม่ขาดแคลนเปรียบมั่นแม่นดังองคุลิมานครั้งแรกเป็นจนใครอยู่ในป่าเที่ยวเข็นฆ่ามนุษย์สุดสงสารแต่ภายหลังกลับใจได้พระนิพพานเป็นอรหันต์องค์พุทธะพระสัมมาแต่งไปได้ถึงเกนะ้าหน้าออกมาแล้วคุยพวกฟังพวกก็บอกว่ามีหวังได้แน่แต่ว่ามาคุยให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกน้อยท่านปัญญามันเกินสติ อปัญญามันมากไปไม่ได้หรอกก็ปรากฏว่าปีนั้นก็ม้อยกระรอกนะตกเตกตามเคยนี่เรียกว่าเกินไปนะไม่ทําตามแบบไม่ทําตามหลักเขาอไอ้ที่พูดมานี้ก็ไม่ใช่ว่าจะอวดว่ามีปัญญาหรอกคือไม่มีนะไม่มีปัญญาใช้ปัญญาไม่ถูกฉะนั้นอัฏฐาไปสัมพิทาก็คือว่าอาผู้ที่อ่าแตกฉานในอัฏฐ เชี่ยวชาญนะแต่ชาญก็คือหมายถึงว่าเชี่ยวชาญรอบรู้นะรอบรู้รู้แจ้งแทงตลอดอ่าเขาขึ้นหัวข้อมาว่าทำในเกิดแต่เหตุทำนั้นก็ย่อมดับลงด้วยเหตุด้รู้เข้าใจเลยนะพวกเรานี่ไม่มีทางมืดนะมืดมาแล้วก็มืดไปนี่ณโมยังไม่รู้ละหมายความว่าอะไรนี่แล้วมาในข้อที่สองธรรมะปิสัมพิทา ปัญญาณแตกฉานในธรรมหมายเอาอุเทศคือภาสิทธ์อันเป็นกับถ้อยกระทงความที่ทำความเข้าใจในอุเทศนั้นๆแล้วอธิบายภาสิท์หัวข้อนั้นผูกเป็นกระทูขึ้นได้อีกในหนึ่งหมายเอาเหตุความเข้าใจสาวหายเหตุในหนหลังในเมื่อเห็นผลปรากฏขึ้นในปัจจุบันด้วยอานาจอตีตังสยามนะ ด้วยอำนาจอติตังสยานคือในข้อแรกในอับปิสัมพิทายนั้นท่านบอกว่าหมายเอาผลแห่งกรรมที่จักคาดถึงผลจกมีในอนาคตนะก็คือในอนาคตตังสยานคือรู้ว่าที่ตนทำเหตุในปัจจุบันนี่ว่ามันดีในะอนาคตก็จะต้องดีด้วยแต่ธรรมะปิสัมพิธายนี้คาดเอาว่า ผลที่มันปรากฏในปัจจุบันนี้เนื่องมาจากเหตุดีถ้าผลปรากฏไม่ดีในปัจจุบันก็แสดงว่าเหตุที่แล้วมานั้นไม่ดีนะไม่ดีเพราะว่าเหตุมันบ่งถึงผลนะเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วอันนี้สาวไปนะสาวไปหาเหตุนะสาวไปหาเหตุฉะนั้นธรรมะวิสัมพิทาก็คือปัญญาแตกฉานในธรรมหมายเอาที่ว่า หัวข้ออธิบายภาสิตผูกเป็นกระทู้ขึ้นไดนะ้ก็คือมีความเชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญในหัวข้อทำนะในหัวข้อทำสามารถจะเอาผูกขึ้นมาเป็นกระทู้ถ้อยกระทงความหรือผูกเป็นอาพาสิตได้เห ม, มือนกับพวกนักกวีอย่างนั้นนะเอาคําพูดต่างๆมาพูดให้สั้นๆนะให้ได้ถ้อยกระทงความนะแล้วเพศที่สาม นรุตติปริสัมพิทาปัญญาณแตกฉานในนิรุตในคําว่านิรุตเนี่ยเขาหมายถึงภาษานะผู้ที่แตกฉานในภาษาอาจจะพูดได้หลายภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาแขกภาษาลาวอะไรภาษามอนภาษาเขมรเนี่ยอย่างเงี้ยเขถือว่าผู้แตกฉานในในภาษาในนิรุตติคือผู้ที่แตกฉานในภาษานั่นเอง ฉะนั้นผู้ที่แตกฉันในภาษาก็คือความฉลาดในภาษารู้จักใช้ถ้อยคำนะให้คนเข้าใจได้ตลอดอรู้ถึงรู้ถึงภาษาต่างประเทศนะอาจจะชักนำคนทั้งหลายให้นิยมตามคำพูดกล่าวสั้นๆก็คือว่าเข้าใจพูดเรียก ว, ว่าจัดเป็นปฏิสัมพิทานะเข้าใจพูดก็จัดเป็นปฏิสัมพิทา คือเรียกว่ารู้จักพูดให้ถูกใจคนนะจงใจคนอื่นให้ยินดีนับถือกล่าวสั้นๆก็คือว่าเป็นคนเข้าใจพูดนั่นเองอันนี้ถือว่าสำคัญนะสาคัญคือคนเรานี้ถ้าหากว่าแตกฉานหลายๆภาษาแล้วก็สามารถที่จะพูดให้คนที่ฟังหลายๆชาติเข้าใจได้นะ คนอังกฤษมาก็พูดภาษาอังกฤษคนไทยก็พูดไทยอ่าฝรั่งเศสก็พูดฝรั่งเศสคนจีนก็พูดจีนโอ้ยอย่างที่เขายกจ้องว่าเก่งแล้วแม่พูดภาษาไหนก็สามารถจะพูดให้ถูกใจของคนทุกคนอีกด้วยทุกภาษาอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะนะของบุคคลนะเป็นอัจฉริยะของบุคลบคลพวกเราที่แค่ภาษาไทยพูดแล้วบางทียังไม่ค่อยเข้าใจนะพูดไทยแล้วต้องแปลไทยกันอีกนะพูดไทยแล้วต้องแปลไทยยังไม่ค่อยจะเข้าใจนะ แต่ว่าพอใครด่าปุ๊บแค่นั้นแล้วเข้าใจทันทีเลยนะพอด่าปุ๊บเราวิ่งถึงตัวเลยนี่อันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าพูดอย่างอื่นไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่แตกฉานในหลายๆภาษารู้เข้าใจภาษาต่างประเทศนะแล้วก็รู้จักพูดให้ถูกใจคนจูงใจคนได้ก็ถือว่าเป็นอัจฉยะอย่างหนึ่งนะประเภทที่สี่ก็คือปฏิภาณบริสัมพิทา ปัญญาณแตกฉานในปฏิพานได้แก่ความเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีนะมีไหวพริบดีความเข้าใจทำให้ให้เหมาะในทันทีทันใดนะให้เหมาะในทันทนะีในเมื่อเกิดเหตุขึ้นโดยฉุกเฉินจัดเป็นปฏิพานแสมริทาคือปฏิพานนี่หมายถึงว่าความคิดที่ว่องไวทำให้สพเหมาะในทันที แต่เวลาทำยังหาเหตุผลมาประกอบไม่ได้แต่เมื่อสำเร็จไปแล้วการนั้นเป็นอันถูกต้องเรียบร้อยดีการพูดทันคนไม่จำนวนต่อถ้อยคำมีลักษณะแห่งปฏิภาณนะมีลักษณะแห่งปฏิภาณเพราะว่าคนที่มีไหวพริบ ป, ปฏิภาณนี่เขายกย่องมากโต้อตอบว่องไวพูดได้ว่องไวแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วเขาก็ถือว่าเป็นนักปราดเป็นอัจฉริยะอย่างหนึ่ง เป็นอัจริยะอย่างหนึ่งฉะนั้นเรื่องไปสัมพิทาสี่นี้ก็ถือว่ามีความหมายต่อการเรียนของนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะนำเอาไปปินิดปินาและดำเนินในชีวิตประจำวันได้นี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าไปสัมพิทาได้แก่อะไรเป็นคุณของใครจำพวกไหนอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่า ไปสัมปิธานก็ได้แก่ปัญญาแตกฉานในอัดในธรรมในนิรุตในปฏิพานนีในอัดในธรรมในนิรุษในปฏิพานในอัดก็คือในความหมายในธรรมก็เหมือนว่าในโดยพยัญชนะนั่นเองนโดยพยัญชนะโดยหัวข้อในในนิรุษก็คือในภาษาในปฏิพานก็คือมีไหวพริบ ถ้าถามว่าเป็นคุณธรรมของใครก็เป็นคุณธรรมของพระอาหารหันต์จพวกแตกฉานในปฏิสัมพิทัปตโตก็คือถึงทัพในปริสัมพิทาหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าปริสัมพิทาสี่เทียบได้กับยานสามอย่างไหนได้บ้างหรือไม่จงอธิบายอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าธรรมะปริสัมพิทาเทียบได้กับอตีตังสยานเพราะ ความเข้าใจสาวหาเหตุผลหลังได้อัฏฐบริสัมพิทาเทียบได้กับอนาคตังสยานเพราะเป็นการคาดหน้าถึงผลอันจักมีอันจัก ม, นะกมีปฏิพาณบริสัมพิทาเทียบได้กับปัจจุบันปัจจุบันนงสยานนะเพราะเป็นความว่องไวในไหวเพ็บิบอาจทาให้ศพเหมาะได้ในคราวที่เกิด เหตุฉุกเฉินขึ้นหรือจะมีปัญหาถามว่าปัญญาณแตกฉานในริยศสัตย์จะทำทั้งสี่จัดเป็นปฏิสัมพิทาอย่างไหนได้หรือไม่ถ้าได้คืออะไรเราก็ตอบเลยว่าได้นได้คือความรู้จักทุกขสัตว์ว่าเป็นผลแห่งทุกขสงุ ท, ทยัทยสัตว์และรู้จักทุกขนิโรธสัติ์ ว่าเป็นผลแห่งทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาจัดเป็นอัฏฐไปสัมพิทาความรู้จักทุกขะสมุทัยศัตว่าเป็นเหตุให้ทุกขให้เกิดทุกรู้จักทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกขนิโรธคือความดับทุกขจัดเป็นธรรมะไปสัมพิทา พูดให้สั้นๆนะพูดใหม่สั้นๆนะหนรือตอบสัส้นๆก็คือว่าการรู้จักทุกนะการรู้จักทุกว่าเป็นผลแห่งสมุไทยนะว่าเป็นผลแห่งสมุไทยเพราะสมุไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกการที่เราได้รู้ทุกว่าเป็นผลแห่งสมุไทยและก็รู้จักนิโรธความดับทุกว่าเป็นผลแห่งนิโรธค า, ามินีก็คือมร นะว่าเป็นผลแห่งมรรคก็จัดเป็นอัฏฐไปสัมพิทานี่คือแตกฉานในอัฏนะในีความรู้จกักสมุทยัยนะก็คือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และรู้จักทุกขคณิโรธคาเมนีปฏิปทาว่าเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์คือความดับทุกข์ จัดเป็นธรรมะไปสัมปิทานี่พูดให้สันส้นๆขอให้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ฟังทบทวนให้ดีอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไปสัมปิทาสีพอเป็นแนวทางได้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องภูมิสีต่อไปอาภูมิสีก็คือหนึ่งกา ม, มาวัจระภูมิ คือชั้นท่องเที่ยวอยู่ในกามสองรูปาวจระภูมิชั้นท่องเที่ยวอยู่ในรูปสามอารูปาวจระภูมิชั้นท่องเที่ยวอยู่ในอรูณ 4. สี่โลกุตระภูมิชั้นพ้นจากโลก ราการแรกให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ฟังได้มาทำความเข้าใจกับคําว่าภูมิเสียก่อนคําว่าภูมิแปลว่าชั้นหรือพื้นเพนะแปลว่าชั้นหรือแปลว่าพื้นเพพูดง่ายๆก็คืออาจจะพูดว่าภูมิความรู้นั่นเองนะความรู้ว่ามีพื้นความรู้แค่ไหนนมีสติปัญญาแค่ไหนนี่ ภูมิไอ้ภูมิตัวเนี้ยบางที่ก็แปลว่าแผ่นดินบางที่ก็เป็นตัวปัญญานะเป็นตัวปัญญาเนี่ยภูมิก็บางทีก็เป็นชั้นได้แก่ภาวะอันประนีตขึ้นไปกว่ากันเป็นชั้นชั้นแห่งจิตและเจตสิกนี่เรียกว่าภูมินะภูมิก็คือว่าชั้นหรือ like พอื้นเพได้แก่ภาวะอันประนีตขึ้นไปมากน้อยกว่ากันเป็นชั้นชั้นแห่งจิตและเจตสิกคือภูมินี่มนหมายถึงว่า เป็นชั้นแห่งจิตเจตสิกคือหมายว่าแบ่งจิตสูงกันเป็นขั้นๆถ้าขั้นนั้นเรียกว่ากามาวจระภูมิขั้นนั้นเรียกว่ า, ารูปาวจระภูมิอ่าสูงขึ้นไปหน่อยก็เรียกว่าอารูปาวัชระภูมิสูงขึ้นไปก็เรียกว่าโลกุตระภูมิเนี่ยอย่างเนี้ยจัดเป็นสี่กามาวจระภูมิก็คือชั้นท่องเที่ยวอยู่ในกามได้แก่ชั้น แหงจิตและเจตสิกของสามัญชนธรรมดาอันตรารกิเลสกรรมและวัตถุกรรมเป็นอารมณ์เช่นจิตของปุถุชนเหล่านี้ยังมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะคือการสัมผัสอยู่นะอย่างนี้เรียกว่ายังอยู่ในชั้นกา ม, มาวัจระภูมิก็คือว่ายังยังอยู่ในการแสวงหากรรมอยู่พูดง่ายๆยัางแสวงหากรรมอยู่ยังไม่อยากจะหลุดพ้นนะ พวกนี้ก็คือพวกที่ทำอะไรทําสบายๆนะทำสบายๆอนะนะอันนี้ก็จัดอยู่ในสายที่หย่อนนะถ้าเป็นพินก็เป็นสายหย่อนหรือที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในธรรมจักรกับวัตตนสูตรก็คือกาล ม, มะสุขันเิกาโนโยกนะประกอบอความเพียรในทางย่อหย่อนนะทางย่อหย่อนก็คือสายกามนะกามมาก็คือกาลวัจะระก็ะคือการท่องเที่ยวไปภูมิก็คือชั้น ท่องเที่ยวอยู่ในกามยังสแสวงหากามนะสแสวงหารูปสแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นสแสวงหารสแสวงหาสัมผัสเพราะฉะนั้นไอ้รูปไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยยังยังเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือว่ายังยังไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐยังไม่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดยังไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมแน่นอนที่สุดเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้ที่พึ่งอันไม่ประเสริฐเราก็จะได้ที่พึ่งอันไม่ใช่สูงสุดและไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม แต่ว่าเราไม่รู้ตัวกันนะเรากลับมาหลงไหลไฝฝันสแสวงหากันสแสวงหาเกียรติสแสวงหาแสวงหากรามหาเกียรติอนะแสวงหาการกินนะเนี่เราสแสวงหากันเหลือเกินฉะนั้นผู้ใดที่ยังสแสวงหาเรื่องรูปเสียงเต็มรถผลิตภัณฑ์อยู่ผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปจะไม่หมดจากทุกจากเดือดอความเดือดร้อนนะ จะต้องมีการแข่งแย่งกันนะจริงดีจริงเด่นกันนะเอารัดเอาเปรียบกันอายุยังนีนะ้อยู่ยังนี้ตลอดเวลานะแต่ทีนี้เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษนะมองไม่เห็นไอ้ที่มองไม่เห็นก็เพราะว่ามันถูกอวิชชาห่อเมืดมิดปิดบงังทำให้ไม่รู้นะ แล้วกโดยเฉพาะกิเลสกามก็เช่นว่าราคะโสดโมหะเนี่ยมันก็ออกถือว่าเป็นรากเหง้านะเป็นรากเหง้าที่จะให้เกิดความชั่วได้หรือตัวพวกโลภะโสดโมหะเนี่ยมันเป็นรากเหง้าที่จะให้เกิดความชั่วก่อกรรมทําชั่วสารพัดหรือพวกอสันตุกทิความไม่สันโดษนะหรือพวกอรติความไม่ยินดีอ่า หรือปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจนี่ก็เป็นกิเลสกามกิเลสกามนี้ได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเป็นโทษคือล้างผลานคุณงามความดีของเราให้หมดไปวัตถุกรามก็คือรูปเสียงเปินรสผ UTO พระได้ชื่อว่าบวกแห่งมารเพราะเป็นเครื่องร้อยรัดเริงจิตใจของสัตว์ให้ถึงความหายนะ่ะจนถึงที่สุดนี่เป็นเรื่องของกา ม, มาวจรภูม มาในข้อที่สองรูปาวจระภูมิก็คือชั้นท่องเที่ยวอยู่ในรูปได้แก่ชั้นแห่งจิตและเจตสิก ข, ของท่านผู้ได้ฌานมีกสินหรือรูปยางได้อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นจิตและเจตสิก ข, ของประโยคาว จ, จรของผู้ที่บำเพ็ญความเพียรได้ฌานมีกสินในรูปทําเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปประฌานอันนี้ก็สูงขึ้นไปอีกหน่อย คือผู้ที่จะได้ในขั้นนี้ก็เรียกง่ายๆว่าจะต้องได้สมาธิขั้นอปปนาสมาธิแล้วเรียกว่าจเริญสมาธิผ่านคณิกะสมาธิผ่านอุปจารสมาธิจนได้อปปนาสมาธิคือได้สมาธิอย่างแน่วแน่เนีแน่วแน่แนบแน่แ น, น, น, นติดทนนานก็จึงได้ฌานการได้ฌานนั้นก็อาจจะเพ่งกระสินกสินเส จะเป็นภูตะกศินดินน้ำไฟลมก็ได้หรือเป็นวันตกสินพวกสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอะไรก็ได้หรือจะเป็นพิจารณาอากาศนะพิจารณาอากาศหรือพิจารณาแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยกระทั่งรุ่นได้ฌานนะปฐวีกสินังปฐวีกสินังอะไรเนี่ยหรือว่าดินน้ำไฟลมจะพิจารณาไฟก็อเตโชกสินังเตโชกสินังอะไรในทํานองนี้ นะจนกระทั่งได้ฌานนะจนกระทั่งได้ฌานแต่ก็ยังเป็นโลคีอยู่นะยังเสื่อมได้นะยังเสื่อมได้นะี่อย่างนี้เรียกว่ารูปฌานหรือ ร, อรอูปาวัจระภูมิอ่าก็คือชั้นทอนออนนอนะ่องเที่ยวอยู่ในอาลูกนั่นเองนะคือท่องเที่ยวอยู่ในอาลูกยังติดรูปอยู่นะยังติดรูปก็เหมือนยังกับพระโพธิสัตว์ที่ <c oughs> ในไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าจนกระทั่งในฌานเหาะเหินเดินอากาศได้ก็นึกอยากจะเข้ามาชมในเมืองนะมาหารถอาหารรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเผ็ดล อ, ลองลองเล่บดูสะบ้างนะเนี่ยพออยู่ในป่ามันนะ้นก็ปรากฏว่าก็เหาะมาทางอา่านพระราชมนเทียนของพระราชาพอดีในขณะนั้นพระราชาไม่อยู่ ไปสเสด็จไปหัวเมืองหรือไปชนน้ำบทก็อยู่แต่พระมเหสีซึ่งคงจะร้อนมากแล้วก็เลยออกมานอนเล่นอยู่ที่ระเบียงาชายพระราชมณียนเป็นการตากอาก า, กาศนุ่งผ้าบางๆรียกว่าให้มันเย็นๆสบายปรากฏว่าพระโพธิสัตว์ก็เหาะผ่านมาทั้งนั้นก็เลือกไปเห็นนางเก้าแหมรู้สึกว่าเกิดอารมณ์ปฏิพัติขึ้นทันที <c oughs> นางตกใจก็ลุกขึ้นผ้าก็หลุดพอบริษัทเห็นเขาก็ชานเสื่อมทันทีเลยพลัดตกลงมาที่นั่นแล้วกตกที่ไหนไม่ตกนั้นมาตกเอาที่น้ำซะด้วยชานก็เลยเสื่อมกันยกใหญ่ก็มีการ อ, าอภิรมสมสู่กันอยู่พักหนึ่งพระราชาทราบเขาก็กลับมาก็เกือบจะถูกฆ่าเกือบจะถูกประหารชีวิตแต่ เอาความซื่อสัตย์เข้าต่อสู้ขอแก้ตัวใหม่นะพระโพธิสัตว์ประราชาก็เลยปล่อยพระโพธิสัตว์ไปก็ไปทําความเพียรอยู่ในป่าก็จนได้ฌานอีกฉะนั้นจึงบอกว่ารูปฌานนี่ยังเสื่อมได้นะเรอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยก็รู้สึกก็เก่งนะพระเทวทัตเนี่ก็ทําสร้างบา ร, รมีจนได้ฌานอีกเหมือนกันนะในฌานสามารถแสดงเอางูมาทําเป็นสายสังวานได้ทําเป็นซดาขาดใบวันศีรษะได้ทากําไรได้อะไรสารพัด อาสามารถหลอกเอาพระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุมารหลงเชื่อเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากนะอ่าเท่านี้นี่เป็นเรื่องของชานแต่ก็เสื่มได้สามอารูปาวจระภูมิก็คือชั้นท่องเที่ยวอยู่ในอารูุได้แก่ชั้นแห่งจิตและเจตสิกอันล่วงอรูปธรรมเสียได้ปรารบอรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เช่น อาเช่นจิตและเจตสิกของประโยคขาวจรผู้ดได้รูปฌานมีอรูปทำอย่างละเอียดเป็นอารมณ์ซึ่งเรียกว่าอรูปฌานที่เราว่าอากินจัญญายตนะที่เราเรียกว่าอากาสานัญญาตนะอากินจัญญายตนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเทีพิจารณาอากาศนะพิจารณาอากาศว่ามีที่สุดก็ไม่ใช่ เนีอากาส า, ารัญชาเนี่ยนะ อ, อย่างนี้เลยเรียกว่าอาภพมหรือว่าชั้นของของผู้ที่ไม่มีรูปก็ได้แก่พวกอาู ป, ประพมนะพวกอาลูประพมอาลูประชานนี่ไล้แก่พวกอาลูประพมสิบหกนั่นเองนะรูปรพมสิบหกหรือลูประพมสิบกชั้นไดพวกอ่านี่อาูประพมสี่นะขอพระทานโทษได้แก่รูอาอารูประชานสี่นั่นเอง ข้อที่สี่ก็คืออโลกุตระภูมิก็ได้แก่ชั้นที่พ้นจากโลกได้แก่ชั้นแหง่งจิตและเจตสิกของพระยบุคคลผู้ล่วงพ้นจากโลกิยธรรมไปได้แล้วท่านย่อมไม่เป็นผู้กลับกลายมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปและจิตและเจตสิกของพระยาเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นนะเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิสี่นะเป็นเรื่องของภูมิสี่ ฉะนั้นเรียกว่าก า, าเรเม้าจระพรมก็ดีรูปาวจระภูมก็ดีรูปาวจระพรมก็ดีก็ถือว่ายังมีการเสรื่อมได้นะยังเสื่อมได้แต่โลกุตระูมมแล้วก็ไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมฉะนั้นถ้าจะมีปัญหาถามว่าพบกับภูมิต่างกันอย่างไรฉไ น, นจึงจัดเป็นจึงจัดพบเป็นสามภูมิเป็นสี่อันนี้เราก็ตอบว่าต่างกันพบหมายเอาสถานที่ หรือได้แก่ที่เป็นอยู่ของหมูสัตว์ส่วนภูมิได้แก่ชั้นแห่งจิตและเจตสิกอันละเอียดและประนีตขึ้นไปขึ้นไปกว่ากันโดยลำดับการที่จัดพบเป็นสามภูมิเป็นสี่นั้นเพราะเพราะจัดตามลาดับความหยาบและละเอียดประนีตกว่ากันสําหรับพบอย่างสูงก็เป็นเพียงอารูปประชานเท่านั้นส่วนภูมินั้น ยังละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจนถึงชั้นโลกุตระภูมิฉะนั้นท่านจึงจัดพบเป็นสามภูมิเป็นสี่ทีนี้ถ้าถามว่าภูมิสี่จะย่นให้เหลือแต่เพียงสองได้หรือไม่ถ้าได้ลองย่นมาดูถ้าไม่ได้ก็แล้วไปเราตอบว่าได้นะได้นะได้สามสามข้อข้างต้นเรียกว่าโลกิยภูมิอ่าข้อสุดท้ายเรียกว่าโลกุตระภูมิก็คงไว้ตามเดิม